อภิวาทนศสีลิสณิตยังวุธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฐานิอายุวันโนสุขังภาลังวาวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สถาโสถีพะวันตูติ